ขอความสุขความเจริญจะมีแล่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ก็คงกลับมาที่ไปสูตรเหมือนเดิมพระวันก่อนก็ได้บอกผู้ถามเอาไว้ว่าจะตอบให้แถวกลางๆเดือนธันวา แต่ว่าพระสูต์เนี่ยมันมีนัยยะก็ที่จริงก็คือการ น, านนะฮะคือเราจะจะประเด็นใดมาพูดมันก็เหมือนกันการบรรยายทั่วไปก็คือตัดตอนมาจากพระสูตรคือแทนที่จะอ้างเป็นหลักเป็นฐานมาซึ่งก็อาจจะเป็นพิชาการมากไปหน่อยเราก็ยกเฉพาะบางประเด็นขึ้นมา แต่วิธีการของพระนั้นคือเราต้องเคารพในพระสัตธรรมมาความมาทุกขั้นตอนเนี่ยเราต้องอ้างพระพุทธเจ้าอ้างพระญาบุคคลก็เรียกว่ามีที่ไปที่มามีหลักฐานมีที่อ้างองิงสามารถสอบทานเทียบเคียงได้รา่ทั้งหมดเราไม่ได้พูดเอง ยังเคยบอกให้ฟังว่าพระตถาจารย์ท่านสอนท่านสอนว่าให้ทําตัวเหมือนกับราชทูตอ่านราชสารคือข้อความในราชสารว่ายังไงเราอ่านอย่างนั้นแต่บดีพระพุทธเจ้ารับสั่งไว้นะว่าทรงอนุญาตให้ให้เรียนให้เผยแพร่ ธรรมะด้วยภาษาของตนเองได้เพียงเพียงแต่ว่าให้คงเนื้อหาไว้ส่วนภาษานั้นยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปแต่ให้คงเนื้อหาไว้เพราะถ้าเราไปยืนที่ภาษาเอาไว้เนี่ยมันพูดกันไม่รู้เรื่องเลย น, ะนานมาแล้วไปบรรยายที่สถาบันพัฒนาตุราการ ที่แถววิภาวดีท่านพุทธภาษาสานิกาท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าท่านไปเป็นผู้ภาษาต่อหนุ่มๆ น, นะครับเป็นผู้ภาษาทางภักได้แล้วก็มีคดีฆ่าคนตายพยานเ็ายืนยันว่าเขาเห็นคนจำเลยนะ่ะฆ่าคนตาย ศางก็ถามว่าในขณะนั้นคุณคุณอยู่ตรงไหนยังเห็นเนี่ยเขาบอกว่าเขายืนอยู่ใต้ต้นมันเทศทีนี้มันเทศในการรับรู้ของผู้พักษาเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งแต่มันเทศของคนพูดเนี่ยของพยาเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งคือมันสัมปหลังแต่พอต้นมันโตนะฮะดินดีต้นมันโตก็สูงก็สูงท่วมหัวแหละ ก็ยืนยันหนึ่งสามครั้งฮะสารต้องถามว่าหมายความว่ายังไงตามคนอื่นนะฮะแล้วก็อธิบายแกบอกว่ามันยังเสียวอยู่จนทุกวันนี้ว่าถ้าเราใช้ความรู้สึกของเราไปตัดสินว่ามันโกหกเพราะไม่มีใครสามารถไปยืนอยู่ตายต้นมันเทศได้แล้วก็ยุง่งมันทาให้ท่านละเมียดละไมระมระว่างมากขึ้นในเรื่องภาษาเนี่ย แล้เราเห็นว่าธรรมะเวลาใช้ภาษาเนี่ยมันต้องใช้ให้มันง่ายต่อการเข้าใจคือสามารถสื่อสารก็ได้ผู้ก็เด็กก็ได้ผู้ก็ผู้ใหญ่ก็ได้แต่ว่าเนื้อหานั้นคงซึงบางบางครั้งนี่เราจะแฝงเนื้อหาแขวงเป้าประสงค์เอาไว้เพราะว่าถ้าเราจะพูดมากเนี่ย ม, มันเด็กเอาไม่อยู่เด็กรับไม่ได้ จะมาในครุขีกระเด็กมาตั้งแต่นอนตั้งแต่อนุบาลถึงประญาเอกเลยนะฮะพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเราจะปรับสภาพไปเลยเด็กอนุบาเลเด็กๆ เ, เนี่ยเราพูดพอตกลงกันแล้วเป็นพวกกันแล้วเนี่ยเอาใจเข้ามาได้แล้วเนี่ยเราก็ขอขออย่างนะไม่ดื้อ น, นะลูกนะอย่าดื้อ น, นะตกลงไหมไม่ดื้อตกลงอ่ะพอแล้วกอเดียวไม่เอามาก แต่อย่าลืมมันในข่าวมัไม่ดื้อมันแฝงอะไรไว้มหาศาลมากๆกเลยพอเด็กก็อยู่กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ว่ากล่าวตักเตือนแนะนาสั่งสอนเธอไม่ดื้อจบเรียร้อยคือไม่จำเป็นจะต้องไปไปอธิบายอะไรให้มากกับเด็กขนาดนั้นนะไปแฝงไว้จำนวนเครีก่กหายใจในปี หมาความาเป่าปีไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าขณะเดียกันเราก็หายใจไปด้วยนั่นคือธรรมะในภาคของการการปฏิบัติทางไงว่าสื่อสารเนี่ยเขาเข้าใจทีนี้ประสูตรนี้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาแต่ว่ายากต่นเรียกว่าพุทธสติสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการถูกต้อง คือฟังยากหน่อยคือหมายความว่าเป็นการให้ผลของกรรมเราอาจจะเรียกว่าวิบากเราอาจจะเรียกว่าผลหรืออาจจะเรียกว่าอนิสง์ก็ได้แต่คือกรรมเนี่ย ม, มันเรียกได้หลายอย่างถ้าวิบากเนี่ยหมายทั้งดีและไม่ดีถ้าผลก็หมายได้ทั้งดีและไม่ดีแต่ถ้าอนิสง์จะหมายถึงดี แต่ถ้าโทษเนี่ยจะหมายถึงไม่ดีหรือว่านรกเนี่ยหมายถึงบาปถึงถึงบาปแต่สวัร์เนี่ยหมายถึงบุญแต่พูดตัววิบาก ค, คือตัวผลมันแทนที่จะพูดเหตุเราก็พูดผลเทวดามากราบทูลแสดงความเห็นว่าวิบากย่อมไม่ถูกบุคคลผู้ไม่ถูกกรรมฟังยากหน่อยนะฮะ หมายความว่าวิบากเนี่ยจะไม่เกิดแก่คนที่ไม่ได้ทำกรรมเพราะวิบากมันเป็นผลมันก็ทำนองคล้ายๆกับเราไม่ได้ปลูกพืชเนี่ยผลของพืชมันมันไม่เมียมันมีไม่ได้หรือว่าเราไม่กินอาหารผิดสัาแดงหรือว่าไม่กินยาถ่ายเข้าไปท้องมันไม่เสียหรอก เดินหนอกอันนี้คือเหตุกับผลเป็นการย้าเตือนให้คนได้ตระหนักได้เข้าใจว่าผลที่ออกมาเป็นความทุกข์ความสุขนี่คุณสร้างเองมันไม่มีใครสร้างให้คุณหรอกคุณสร้างขึ้นมาเองเพราะคุณต้องตัดสินใจเลือกว่าคุณจะทําอะไรแต่อย่าลืมมาถ้าทําแล้วเนี่ยคุณไปเสดผลไม่ได้ ถ้าคุณต้องการไปเศดผลคุณป้องต้องไปเสด็จที่เหตุให้ได้พรานก่อนไปบรรยายที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นสาธุชนทั่วไปนะครับบนเรืคาราจการักะเขาก็ถามในประเด็นนันนี้ประเด็นของกรรม เรื่องการสะเดาะเคราะห์เรื่องตัดกรรมเรื่องอะไรเนี่ยเจอบ่อยนะครับแต่นี่เจอบ่ผู้หา ก, กินแนวนี้เยอะเหลือเกินเกิถามวาตัดกรรมได้ไหมบอกที่จริงกรรมเนี่ยตัดได้แต่วิบากเนี่ยตัดไม่ได้กรรมคือกรรมชั่วเนี่ยเราอย่าทําแล้วมันไม่มีผลนะแต่ถ้าทําแล้วเนี่ยอย่าลืมมันเป็นวิบากทําปั๊บเนี่ยมันมันเป็นวิบากไปแล้วบนตัววิบากเนี่ยเราจะตัดไม่ได้ มันก็เหมือนกับเราไม่ให้มือเราร้อนได้ไ้ยก็ได้อย่าจับไฟแต่ถ้าจับไปแล้วเนี่ยคุณไปเสร็จไม่ให้ร้อนไม่ได้เพราะันเราเห็นว่ากฎข้องกรนที่จริงเป็นกฎธรรมดาเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาเป็นวิถีชีวิตเป็นอยู่ทุกขณะเนี่ยนนดังกระดาษพระพุทธเจ้ า, าทรงแสดงว่าสัตว์โลกดิบเป็นไปตามกับ การที่คนจะเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันก็อยู่ที่กรรมคนดีก็บพราะกรรมคนไม่ดีก็บพราะกรรมแต่นี้กรรมเนี่ยเรามองสังคมไทยเราเนี่ยมองคล้ายๆกับการดุบบาดาลอันนั้นมันผลนะฮะมันผลคือหมายความว่าถ้าเราไปสร้างเหตุแล้วเนี่ยผลมันต้องเกิดแต่จะเกิดเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่ง ใ น, ในขณะเดียวกันผลมันจะมีหลายระดับระดับหนึ่งระดับทางจิตเราจะรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ทั้งก่อนทำทั้งขณะทำแล้วก็หลังจะทำไปแล้วตามสุขควรแก่กรรมที่เราทำเอาไว้นั้นผลทางใจและผลทางสังคมหมายความว่าเราจะรับการยกย่องรับการรำนิดตามสุขควรแก่กรรมของเราในขณะนั้ น, น, น แล้วถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้รับการเคารพนับถือหรือว่าทอนความเคารพนับถือลงไปในขณะนั้นถ้าเป็นผู้น้อยก็ได้รับความรักความเมตตาหรือว่าความเบือหน่ายระอาก็ในขณะนั้นแหละผนจริงทําดีเนี่ยมันได้ทําดีแล้วได้เป็นคนดีแล้วก็ได้มีความสุขที่จริงมันเกิดขึ้นในขณะนั้นทําชั่วก็ได้ทําชั่วแล้วก็ได้เป็นคนชั่วแล้วก็ เสวยความทุกข์โดยตัวเองในขณะนั้นติดในสังคมเ็าก็รังเกียจตัวถูกลุมหมินเยียดยามาแต่ต่างตางอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยที่เราพูดยากเนี่ยคือมันมันไม่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยภาษาที่ให้เขาเคารพนับถือเรื่องกฎของกรรมเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องกฎของกรรมก็เชื่อ พระเจ้าของเขาเลยก็กลายเป็นปนัญหาอุปสรรคที่เราเรียกร้องก็มายัางมองวายุทธศาที่ในหลวงทรงประทานเนี่ยพอแล้วนะฮะไปทำให้เป็นกันเเข้าใจเข้าถึงพัฒนาทาได้ไหมล่ะแต่ทีนี้เรายังสับสนในประเด็น สอบสนในประเด็นวาอย่าลืมวมาการเข้าใจนะั้นต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะสังคมมันเป็นกิริยาปฏิกิรยิยาคุณจะให้มีกิริยาอย่างเดียวมันไม่ได้มันตบมือข้างเดียวมันดังไม่ได้หรอกมันต้องตบสองมือเพิ่อนคนจะเข้าใจซึ่งกันและกันเราไม่ต้องพูดมากเราผัวกับเมียเนี่ยาไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเก็เลิกแล้วไม่นั่งโต๊ะอาหารร่วมกันแล้ว นักภาษาอะไรก็ผููคนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างเผ่าพันธุ์ต่างสายเลือดออซึ่งพากัตามความจริงแล้วในมิติของพระพุทธศาสนาไม่ต่างแล้วความเคยสังเกตว่าพี่น้องเราในประเทศไทยเนี่ยโอท่านับเผ่าพันธุ์แล้วเยอะเลยหลายร้อยนะฮะนับเชื้อสายแล้วหลายร้อยเชื้อสายเลยแม้แต่คนคนหนึ่งเนี่ย ยังไงแต่มาถ้านับย้อนไปในอดีตแล้วเราก็เจอเชื้อสายเราเยอะเลยมาหลายเชื้อสายเลยแต่เราก็คือคนอะแม้แต่คนไทยมันก็สมมติเาอาะเราก็เปลี่ยนทื่อไปได้เรื่อยๆแล้วพอเราตายเราก็ไม่เป็นคนอะไรแต่ทีนี้การเข้าถึงความจริงขนาดนั้นมันยาก เการเข้าใจเนี่ยมันต้องเข้าใจซึ่งกันอะไกันเข้าใจอะไรเข้าใจภาษาของกันอะไกันเข้าใจาศาสนาของกันอะไกันเข้าใจวัฒนธรรมของกันอะไกันเอาไว้ได้น่ยสามอย่างเนี่ยศาสนาภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ต้องเข้าถึงนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าคําบางคําเนี่ย ถ้าเราไม่เข้าถึงเรายุ่งอย่างรัํานูลฉบับ 4-0 เนี่ยที่บัญญัติคำว่ า, าศาสนบัญญตัติเอามาถามอาจารย์ชงบงขันท่านก็ตายไปแล้วท่านก็เป็นโสสรอาอาจารย์เข้าใจหรือเปล่าคำว่ า, าศาสนบัญญัติเนี่ยคืออะไรแกบอกว่าไม่เข้าใจอ่ะวันนี้คืออันตราย อาจารย์ต้องเข้าใจว่าทุกคําในพระบัญญัติในมหาคัมภีร์อันกุรานเนี่ยคือาศาสนบัญญัติเหมือนข้าไปหยุดคํานึงเมืองใหญ่ที่สุดแล้วกว่ากฎทั้งหลายแล้วดังนั้นปัญหาเหล่านี้ยบางทีเนี่ยเราเราไม่เข้าถึงทีงนี้เข้าถึงนี่มันเยอะนะละเมียดละไม่มากก็ถึงนี่มันลึกซึ้งกว่าเข้าใจ แต่ว่าเป็นปัจจัยของกันอะกันมันเหมือนกับเราสื่อสารเราติดต่อกับเด็กเราอบรมเด็กเนี่ยคือฉันได้ต้องเอาใจเข้ามาให้ได้ก่อนให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเขาอย่างอาตมาเนี่ยก็อยู่เกณฑ์เป็นหลวงปู่ได้แล้วหลวงปู่หลวงตาได้แล้วเด็กเะเรกหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อได้แต่เราก็ถ้าเด็กระดับมัธยมมันก็ขนาดหลวงปู่ตาไปแล้ว ให้ทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเราคือหลวงปู่หลวงตาแก่แล้วพอได้ใจเข้ามาแล้วหลจะง่ายอะฮะจะง่ายต่อการที่จะสื่อสารสามญญารถบรรยายได้สองชั่วโมงโดยเด็กไม่เคลื่อนไหวไปไหนได้นั่งวางด้วยความตั้งใจสนใจมองมาที่ผู้พูดตลอด แต่ถ้าเอาใจเข้ามาไม่ได้ในะยากนะมันเข้าถึงมันก็เข้าถึงภาษาของการแายกันข้าถึงาศาสนาของการแายกันเข้าถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของกันรลยกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพัฒนาบปด้วยกันคือจัดเข้าที่ระบบ ก, การศึกษาเด็กทางภาคได้เนี่ยให้ศึกษาสองภาษา สามภาษานะฮะภาษาต้องศึกษาสาภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเยาวีทั้งไทยพุทธไทย إسلام และไทยทุกไทยไทยจีนไทยอะไรก็ช่างแนหะให้ศึกษาครบสามภาษาศึกษาศาสนาสองศาสนาแล้วก็ศึกษาวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมแล้วให้ความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็เราก็สร้างไม่กี่ปีนะฮะ ว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะจบมหกได้เนี่ยเราเล่นดูว่าอนุบาลสองประถมหกมัธยมมีหกเป็นสิบสองเป็นสิบสี่สบสี่ปีนะอย่างน้อยสิบสปีเนี่ยเด็กพวกนี้เป็นเพื่อนกันแล้วเกิดกเธอโตๆมาแถวนั้นเนี่ยต่อไปแยกย้าย ก, กันไปศึกษาเราเรียนอะไรก็ไม่รู้ ภาษาเข้าถึงกันแล้วาศาสนาเข้าถึงกันแลว้ววัฒนธรรมเข้าถึงกันแลว้วแล้วนี่อย่างที่พูดในทํานองว่าให้ข้าราชการไทยนั้นต้องไปศึกษาภาษายาวีแล้วเอาคนที่เกิดที่ตรงนั้นทำไมไม่ศึกษาอะไรเออเขาเป็นคนไทยนะก็ต้องศึกษาที่คือมันแก้ปัญหาแล้วก็สร้างปัญหา เพรนิบิบากเนี่ยมันมีเรื่อยละเพราะเพราะเพรา ะ, ะไปทำกรรมเข้าทํากรรมก็มันจะไปจบที่เดิมคือไม่เข้าใจไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ในสุดกระเบียนโคนอย่างเงี้ยไม่ต้องทําอะไรเพราะากฎของกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องกิริยาปฏิกิริยามีการกระทามีการกระทาตอบแย่โลกอนิจเขาว่าไว้เนี่ยที่จริงมันคือกฎของกรรม แต่เราสร้างกรรมที่ดีสิเพื่อให้เกิดกิริยาที่ดีให้ท่านท่านจัดให้ตอบสนองต้นการให้ตอบสนองนั้นเป็นผลมาจากเราให้เราให้เขาก่อนนบท่านท่านจะปองนอกไปเราไหวท่านก่อนแล้วท่านจะไหวเรารักท่านท่านจะครองความรักเรานะ รักท่านก่อนสิแล้วท่านก็จะรักเราแต่ท่านบอกว่าสามสิ่งนี้เว้นว้แด่ผู้ทุจริตสามอย่างนี้คนเลวทำไม่ได้ทำได้เฉพาะคนดีแต่นั่นเองเพราะงั้นเทวดาพูดในถูกต้องที่สุดเป็นการย้ำเตือนคือแล้วแต่ว่าจะพูด จะแต่ว่าจะพูดอย่างไงนะอย่างเทวตาตาชนะเทพบุตรเ่ยตาชนะเทพบุตรมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามากล่าวคาถาทุกวันในพระสงฆ์ก็สวดหลังปฏิโมกข์หลังปฏิโมสวดทุกครั้งท่านบอกว่าอ ก, กตังดุกตังสยโยอันความชั่วร้ายไม่ทําเสลื่อยจะดีปัญหาตับปฏิดุกตังเพราความชั่วจะตามแผดเผาในภายหลังได้ กตัญญะสุขตังสยโยความดีนั่นแหละทำไว้เถอะมันดีเพราะว่าทำไปแล้วนี่ไม่ต้องเดือดร้อนใจทีนี้เราวินิจฉัยยังไงท่านบอกว่าทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลังกรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดีไอ้คำว่าร้อนใจเนี่ยคือวิบาก หมายความวาถ้าเราทำดีเราไม่มีคา ม, มาร้อนใจร้อนร้อนใจจึงกลายเป็นวิบากต้องการร้อนใจไม่ละถ้าต้องการร้อนใจก็รับผิดชอบกรรมกระเางแต่ถ้าไม่ต้องการอย่าสร้างเหตุอย่าสร้างเหตุให้มันเกิดเกิดวิบากในลักษณะนั้นตอน ประมาณวันที่ยี่สิบกว่าๆนะที่มีการประรบเรื่องอะไรนะเรื่องหวยอะไรหวยหวยบนดินหวยใต้ดินในจำนองนี้นะฮะก็คือมีการค้านกันแพร่หลายที่จริงถ้าถามว่ า, าศาสนาเห็นด้วยไหมาศาสนานั้นไม่เห็นด้วยมานานแล้วแต่เราต้องมองว่าสังคมเนี่ยสังคมมันต้องมีทางออกให้เขา เพราะว่าเมื่ออยู่บนดินไม่ได้มันลงใต้ดินนี่ยอันนี้คือของแน่เลยทีนี้เขาบอกว่าจะหล่ น, ลลนลอรมณ์รุนแรงยังไงเราอย่าลืมว่าคนเนี่ยคนที่รวมตัวกันอยู่ได้แล้วก็อยู่ในชั้นเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยมันก็คืออยู่ในระบบการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลมานะฮะมาอยู่ระบบการสาธารแล้วก็คือระบบราชการระบบบริษทัทห้างร้านแล้วบริษทัทห้างร้านเนี่ยเขาจะให้คนเขามาประชุมฟังรเรื่องอะไรเนี่ยการใช้สื่ อ, อเยฉยเฉยเนี่ยมันฉาบสวยนะเพราะหลั ก, การสำคัญว่าในความเป็นสังคมเนี่ยอย่างที่โบราณท่านบอกว่าอยู่บางทีสังคมมันก็ตรงขนาดลูกกล้วยนะ มันไม่ตรงจริงหรอกจดีมตรงขนาดนั้ น, นแล้วก็สังคมบางระดับนะบางเรื่องนะที่เราเห็นว่าต้องมีปราบมีปรามนะ่นั่นสแสดงว่าสังคมสังคมนี้ยังไม่มีวินัยในตัวเองมากพอหรอกเพราะ็ต้องมีปราบมีปรามโบราณท่านบอกว่าเหมือนกับ ไอ้ตรงแบบหนังไอ้หางสุนัขอาจารยบอกว่าหางสุนัขก็คือมันต้องดึงไงแต่ถ้าเราปล่อยมือวันไหนมันมันมันก็งองเหมือนเดิมและนี่คือความจริงที่เราต้องต้องต้องยอมรับสังคมด้วยแต่เราไม่เข้าใจสังคมแล้วเนี่ยเราไปเสด็จแล้วเหตุตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่อื่นซึ่งรุนแรงกว่า ลักษณะาทางสังคมมันจริงๆริ ง, ร ง, รงว่าอะไรที่เป็นศัตรูเรายัางทําลายไม่ได้ต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้ต้องเอามาเป็นพวกให้ได้อ่ะถ้าเป็นคนต้องเอามาเป็นพวกให้ได้แล้วแต่สิ่งเราอื่นก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้มันไม่แก้ปัญหาในลักษณะเวียนคนคือลองฟังหลายท่านออกมาประท้วงอย่างงั้นอย่างนี้ไม่เห็นมีทางออกให้เลย มันพยายามที่จะหาทางออกที่มันเลวน้อยอ่ะนะมันไม่ใช่ไม่เลวเหรอกมันแต่เลวเลวน้อยทีนี้สังคมไทยเนี่ยเราอ่านพงศาวดารโบราณ น, นะคนไทยชอบเล่นการพ น, นั้นมันอยู่ในดี D ไปแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกคนส่วนน้อยนะคนส่วนน้อยที่ส่วนใหญ่เขามีปัญหา เพราถ้าเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แก้ปัญหาการศึกษาได้นะฮะแก้ปัญหาเรื่องการนึกษาได้ผู้แก้เราพัฒนาที่ความรู้ได้พัฒนาที่ความคิดได้พัฒนาที่ความสามารถได้พัฒนาที่จิตสํานึกได้เอาไม่ต้องออกไปไกลๆหนะ้าเอาจิตสํานึกทํายังไงไว้คนมีจิตสํานึกได้แล้วเขาจะเกิดรับผิดชอบในกรรมประกรรมอะไรที่ มีความเดือดร้อนในภายหลังเ อ, อ้ฉันไม่เอาอะทำยังไงจะหยุดตัวเองได้เรื่องมันไม่จะง่ายคือถ้าเราหยุดตัวเองไม่ได้เนี่ยคนอื่นก็มาช่วยอะไรเราไม่ได้ก็บันนั้นวันวั น, วนที่ไปอบรมที่กระทรวงศึกษาธิการมีท่านผู้หนึ่งบอกว่าลูกเขาเวลาเนี้ยเกิดมาไม่ปกติ แล้วก็ตต้งสิบอดขวบแล้วนะแต่ยังพูดไม่ได้ยังเดินไม่ได้แล้วก็มีร่างทรงคนหนึ่งบอกว่าเขาจะตัดกระแสะกาวให้ประโยมที่เป็นผู้นำในการไหว้พระสวดมนต์ในการสมาทานศีลก็นำมาแล้วไงาถามอาตมาอาตมาบอกว่ามันตัดไม่ได้หรอก อะร่างทรงอะไรที่ว่าเนี่ยมันไม่จริงหรอกแต่แสดงว่าถ้าโยมไปรักษาก็โยมเริ่มเปลืองสตางค์แล้วเอาสตางค์ไปรักษาลูกเธอก็ปรากฏว่าจริงคือไปครั้งแรกเนี่ยโดนไปแปดพัน 8, ครั้งที่สองก็โดนสามพันบอทยมเชื่อคนเหล่านี้ในที่สุดคุณน่ะจะเดือดร้อนเงินก็หมดแต่ลูกก็จะไม่หายเพรา ะ, ะนชาวพุทธเนี่ย มันจะต้องมีเหตุผลแล้วถ้าเราเข้าใจในกฎของกรรมตรงนี้นะเราจะเห็นว่าเด็กแกก็ต้องได้รับผลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดมาเนี่ยกรรมที่สร้างรูปเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะก็ททำให้รูปเกิ ด, ดวิปริตไป ถึงก็นแน่นอนว่าเธอเราก็ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเป็นลูกก็เป็นเป็นพ่อแม่ก็ต้องทำเต็มที่แตว่าเต็มที่เท่าที่ทำอ่ะก็ในขณะที่กำลังทำรายการเนี้ยลูกผู้พี่เขาโทรศัพท์มาบอกบอกว่ า, าผู้หญิงซึ่งยังเหลืออยู่คนเดียวแล้วนะญาติเป็นพี่น้องกับพ่อ ก็ช่วยกนดูแลอยู่แล้วประกวดหกล้มแล้วก็หมอก็หมดหนทางที่จะรักษาแกก็บอกมาด้วยวัวกทังโบนโอ้ยพี่มันต้องไปคิดอะไรมาคนแก่อยยุตั้งก้าสิบเราจะเอาอะไระเราก็รักษาเท่าเต็มตามกำลังความสามารถที่รักษาไม่รักษาแล้วโรคเนี่ยมันมีหายกะตายแต่นั่นเองมันไม่มี ประเภทที่สามรักษามีสองอย่างคือไม่หายก็ตายรโรคมันมีอยู่สามประเภทประเภทหนึ่งจะรักษาหรือไม่รักษาก็หายประเภทที่สองต้องรักษาจึงหายถ้าไม่รักษาไม่หายประเภทที่สามจะรักษาหรือไม่รักษาก็ตายมีเท่านั้นนะโละโรคอ่ะบานดูไปมีปัญหาอะไรก็บอกมาแล้วก็เวลาตายก็ช่วยกันการ ก, ก็จบ ไม่ต้องไปติดใจอะไรมากสังขารมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดามันต้องปรงให้ตกในสังขารทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเราคิดบ่อยๆเนี่ยมันจะคุ้นชินกับเรื่องเหล่านี้เราจะเข้าถึงคติธรรมดาอย่างน้อยที่สุดญาติพี่น้องตายเนี่ยเข้าถึงธรรมดาให้ได้ว่ามันก็มีความเป็นอย่างนี้แหละ อันก็เป็นข้ามันอย่างนี้แหละชีวิตอะแล้วนอกนั้นมีภารกิจอะไรที่ทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็แล้วไปผลการที่เทวดาแสดงความเห็นเป็นการวิธีสื่อสารอีกวิธีหนึ่งนะเราจะนึว่าเป็นวิธีสื่อสารอีกวิธีหนึ่งมันก็เหมือนกับตาญาเทพบุตรท่านพูดเนี่ยท่านพูดตรงตรง ง่ายต่อการทําความเข้าใจแต่ก็บอกว่าอันความชั่วร้ายไม่ทําเสลยจะดีกว่าเพราะว่าความชั่วจะตามแผดเผาในภายหลังได้ความดีนั่นแหละทําไว้ดีกว่าเพราะทาแล้วจะไม่ต้องเดือดร้อนใจอันนี้เราจะเห็นว่าพูดแต่วขวัญง่ายแต่ว่า เ, ออเทวดาท่านเกิดไปใช้รมวิบาก วิบากก็คือผลในที่นี้เน้นที่ผลของความชั่วนะฮะเน้นที่ผลของความชั่วเป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่าต้องการห้ามคำชั่วห้ามคนแม่ทำคำชั่วแต่ผลก็ต้องทำคำดีเพราะวิบากที่ดีเนี่ยมันเป็นผลมาจากกุศ ล, ลกรรมเพราะแต่เราต้องการผลเป็นความสุขเราก็ต้องสร้างเหตุเพื่อเกิดความสุข พูดกันเท่าไหร่ก็ไ ม, ม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะฮะปัญห า, าต่างๆภายในสังคมเนี่ยที่จริงออมาอย่างนึกว่าพวกละเมงละคร อ, อะไรที่เขาแสดงเนี่ยคือถ้าเรามองในแง่ของธรรมะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแนหะคือมันซ้ำซากะมนุษย์มันซ้ำซากแตมนุษย์จะอยู่ในแวดวงของ เรื่องชีวิตเรื่องเกียยวกัพซ์เรื่องเกี่ยวก็บเซ็กเรื่องเกี่ยวก็สื่อสารเรื่องเกี่ยวก็สิ่งเทพติดอะเนี้ก็วนๆกันอยู่เงี้ยเพราะใครจะเขียนําเมงละครอะไรแต่ไรเขียนนวนิยายอะไรมันไม่อื่นไปจากการวนเวียนอยู่แถวศีลทั้งห้าข้อนี่แหละแต่ตรงนั้นที่จริงก็เป็นคติเป็นบทเรียนสอนใจว่ากรรชั่วแล้วเขาก็ให้ผลไปอย่างนี้แหละ กรรมดีเขาก็ให้ผลเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราคิดในในแง่ตรงนี้นะฮะอย่าไปคิดในแง่ของความออแสดงดีไม่ดีสนุกไม่สนุกพระเอกหลอ่อไม่หล่ออะไรเราไม่ยุ่งนะมองในแง่ของธรรมะแล้วก็จะได้ธรรมะเยอะเพราะอะไรเพราะถ้าเราเทียบแล้วมันก็เหมือนชาดก เพียงแต่ว่าชาดกท่านไม่ว่าพิสดารมากมายแต่นั้นเองแต่เนื้อหาสาระมันก็เหมือนก็นชาดกชาดกก็เป็นวิธีการในการสื่อสารในการสั่งสอนในการเชิดของพระพุทธเจ้าประการหนึ่งและท่านประยานะฮะว่าวิบากพึงถูกบุคคลผู้ถูกกรรมโดยแท้กรรมในที่นี้หมายถึงกรรมชั่วนะฮะหมายถึงกรรมชั่วคือเน้นไปที่ตัวกรรมชั่ว อย่างที่เคยบอกว่าคือบางครั้งเราต้องเข้าใจว่าตรงนี้หมายถึงอะไรกรรมในที่นี้เขาเน้นเฉพาะกรรมชั่วเพราะว่าวุ่ากชีดีเนี่ยใครก็ต้องการแต่ว่าผลที่ไม่ดีเนี่ยไม่มีคนต้องการตอนท่านก็บอกว่าไอ้ผลเนี่ยมันมาจากเหตุแต่คุณไม่ต้องการผลอย่างนี้คุณอย่าสร้างเหตุอย่างนี้แล้วผลมันจะไม่เกิดหรอก เหมือนก็สิ่งเนี้ยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพคุณก็อย่าไปยุ่งกับมันก็จบมันเรื่องไม่ได้ไม่ได้วิจิตพิสดารอะไรแต่มาเองอยังยังข้องใจสงสัยเพราะว่าหลายปีมาเนีย้ยตั้งแต่ปศทศวรรสามท่เจ็ดนะฮนะามาเจ็ดนี่ก็สี่สิบเจ็ดมาถึงสี่สิบเก้าแล้ว คือเมื่อก่อนเป็นที่ปรึกษาของกรมวิชาการเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนกรมไปแล้วเขเรียกว่าตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษามาเนี่ยไม่ได้เคยรับนิมนต์ด้วยชวนไปประรบเรื่องปัญหาในการศาึกษาไม่มีโอกาสเพียงแต่ว่าไ ป, ไปบรรยายสรุปประเด็นที่หนึ่งที่สามพรานโดยผู้กลุ่มปฏิรูปนี่แหละ ก็เขาเนื่องบนไปเยเวลาก็ไม่ได้มากพ อ, อไดที่จะไปอธิบายใด ไ, ได้พอเขาเองก็ยังสับสนนะฮะเก่งดีมีความสุขเนี่ยมาก็ถามว่าเก่งดีมีความสุขของคุณหมายหมายความว่าอย่างไงแล้วคุณจะขับเคลื่อนยังไงจะนับหนึ่งตรงไห น, นแล้วก็เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเก่งคืออะไรดีคืออะไรนะความสุขคืออะไรก็เป็นประเด็นที่ทต้องทำความเข้าใจเยอะ ซึ่งเบลเนี่คือนักวิชาการเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยนิยมเอาพระเข้าไปเพราะกลัวจะขัดคอเขาอะแล่ส่วนมากก็ขัดคอทุกทีด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการมองตามตำหรับตำนาคือแทนที่ว่ามองว่านี่คือเรื่องมนุษย์นะ การศึกษานี่เรื่องการพัฒนาคุณภาพมนุษย์เพราะงั้นคุณต้องรู้จักมนุษย์แล้วคุณจึงจะพูดถึงสิ่งที่จะให้มนุษย์เรียนรู้ถ้าคุณไม่เข้าใจมนุษย์แล้วก็เลิกพูดละทีนี้มั น, มนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเอาไอ้สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยเป็นเกณฑ์ ทำให้การษาเป็นอันมากที่มีลักษณะเป็นธุรกิจทางวิชาการจึงถ้าหากว่าความคิดแน่เนี้ยแพร่หลายกระจายตัวออกไปก็ก็น่าหว่วงเพราะเรื่องกฎของการมเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องที่ต้องย้ำเลยนะให้เกิดเป็นวินัยในตัวเองขึ้นมาสำนึก สำนึกจับหลักให้ได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วเราเป็นเราผู้รับผิดชอบผลของกรรมอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเนี่ยเต็มความคงเคยอ่านพระไตรวิดกเคยอ่านอะไรบ้างไงนะฮะเราจะเห็นว่าจะทรงใช้คําคเหมือนกันหมดเลยให้พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นขอ ง, ของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเปที่พึ่งอาศัยใครทํกากรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลกับนั้น พัไอ้ผลไปสุ่เป็นทุกเนี่ยที่จริงเป็นการเลือกด้วยตัวเราเองเราสามารถเลือกได้กรรมเนี่ยเราสามารถงดเว้นได้แล้วสามารถทําได้แต่ถ้างดเว้นไปแล้วหรือทําไปแล้วเนี่ยผลเราไปฏิเสธไม่ได้ผลที่เทวดาได้กล่าวว่าวิบาก พึงถูกบุคคลผู้ถูกกรรมโดยแท้เพระาะฉะนั้นวิบากย่อมถูกบุคคลผู้ถูกกรรมผู้ประทุษร้ายนรชนผู้เป็นผู้ไม่ประทุษร้ายคือพวกเนี้บางทีมีคนเป็นนั้นมากที่ประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้าย มันมีลักษณะคล้ายๆกับกินอ้อยที่ยอดมันหวานแต่ว่าข้างล่างนี่มันเป็นพิษตอนตอน้ตนๆมันหวานนะฮะแต่ว่ามีความเป็นพิษอยู่ข้างล่างเราะถึงจุดนั้นก็เป็นอันตรายแกตัวเองบาป ก, กรรมที่คนทำด้วยเจตนาที่รุนแรงคือหมายความว่า เป็นการประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายเนี่ยบาปแรงนะแต่ที่คนก็ต้องเชื่อบาปคือถ้าไปเสดบามันก็พู้ยากอีกละในข้อนี้พระเจ้าทรงแสดงไว้หลายแห่งมีใจความว่าบุคคลที่ประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่พุ ไม่ไม่ประทุสรายเนี่ยย่อมประสบผลบาปผลกรรมต่างๆเป็นนันมากเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตว่ามีคนเป็นนันมากที่เราไม่น่าเชื่อนะฮะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะกล้าทำขนาดนี้รู้ตัวอย่างง่ายๆประวัติศาสตร์เนี่ยว่าตั้งแต่ พมา่ามาเผากลุงมาเผากรุงเทพ น, น่ะนะฮะการที่เราก็พ่ายแพ้นในสงครามครั้งที่สองมีความสูญเสียรุนแรงมากแล้วก็สิ่งเคารพสกุลละก็ถูกทำลาย แต่ถ้าเรามองถึงว่าประเทศประเทศพระม้าตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้เขาไม่เคยปกติเลยแล้วคนเหล่านี้ก็คิดถึงหรือเปล่าเขาผูกโยงได้หรือเปล่าแล้วความรุนแรงเนี่ยมันก็มีอยู่ตลอดเพราบาปกรรมในมันจริงจมันเป็นบาปแล้วไม่ได้หยุด ด้วยระยะเวลาสั้นๆนะเพราะมันแรงมากคื อ, อยันที่เคยเล่าว่าผู้หญิงคนหนึ่งแกค่าค่าอะไรละ่ะค่าสัตว์ตัวเดียวนะก็รู้สึกว่าเป็นดูจะเป็นเป็นลูกอะอะไรละ่ะเป็น ไม่ใจไม่ใจโคนะฮะตัวตัวเล็กกว่าก็สรุปว่าไปไปขายไปไปฆ่าสัตว์ที่ตัวโตวหน่อยแล้วแกก็ถูกฆ่าตายในชาติสุดท้ายเนี่ยคือครั้งที่สิบที่เกิดเรื่องเนี่ยตอนครั้งที่สิบแล้วก็ ก, ก็ถูกขู่าตายตายทำสัตว์ตายครั้งเดียวนะฮะตัวเองถูกข่าตายรอยครั้งดีวกันเออถามว่าเชื่อก็ไม่เชื่ออะไรดีกว่าไม่เชื่อดีกว่ามันปลอดภัยดีเรื่องของกรรมนั้นไม่ใช่ว่าออรอพิสูจน์คือยาพิสูจน์ ไม่ต้องไปตั้งคำถามม่จริงไม่จริงเชื่อไปเลยแต่ว่าเราเห็นอย่างที่บอกไงว่ า, <ร>าหนึ่งเราเห็นก่อนก่อนทำขนาทำหลังจะทำไปแล้วออสองสังคมสังคมท่าชี้ต่อคนอื่นต่อเราว่าเขามีความรู้สึกยังไงเราทำดีเนี่ยสังคมมีความรู้สึกยังไงเราทำชั่วเนี่ยสังคมรู้สึกยังไง ตนนี้ถึงจะเป็นข่าวทุกวันเนาะข่าวเยอะมากเป็นข่าวซ้ำซากด้วยทุกวันด้วยแต่ว่าคนก็ไม่มีลักษณะผูกโยงดีงนี้เทวดาท่านก็ผูกโยงให้ดูว่าหมายความว่าวิบาคเนี่ยย่อมไม่ถูกบุคคลผู้ไม่ถูกกรรมคือถ้าไม่ทำความชั่วแล้ว คุณจะไม่เดือดร้อนเพราะความชั่วพูดง่ายอยางนั้นนะครับแต่ว่าวิบากเนี่ยจะถูกบุคคลผู้กระทําผู้ถูกกรรมโดยโดยแท้ถ้าบอกว่าโดยแท้เพราะฉะนั้นบุคคลย่อมถูกบุคคลผู้ถูกกรรมบุคคลย่อมถูกบุคคลผู้ถูกกรรม ไม่ใช่วิบากย่อมถูกบุคคลผู้ตุกกรรมหมายความว่าผลไม่ดีเนี่ยจะเกิดจากคนที่ไม่ดีเราต้องทำให้ดีก่อนแล้วผลคือความไม่ดีจะเกิดขึ้นเราเกิดขึ้นแก่เราทีนี้ถ้าเราทำดีเนี่ยผลมันก็จะออกมาในทางที่ดี ดังนั้นเทวดาก็รับสั่งว่ารับกล่าวว่านรชนผู้ไม่ผู้ไม่ประทุษร้ายผู้ประทุษร้ายแล้วนรชนผู้ไม่ถูกประทุะผู้ไม่ประทุษร้ายหมายความว่าความชั่วความเดือดร้อน อ, ะ, อะไรต่างๆถ้าเราไม่สร้างเหตุเราเราไม่ต้องรับผล พูดง่ายๆก็จะสรุปกับกับที่เดิมนะฮะหมายความทำดีก็มีผลเป็นความสุขทำชั่วก็มีผลเป็นความทุกข์เพร่อนก่อนจะทำเนี่ยขอให้คิดได้ดีว่านั้นไม่ใช่หยุดไม่ใช่ต้นสุดท้ายแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นการทำของเราทั้งดีทั้งไม่ดีมันเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่สุดท้าย และเราจะต้องรับผลเหล่านั้นจนถึงกับว่าอายุเราเนี่ยมันไม่ยาวพอเพราะนั้นทั้งหมดมันจะยกยอดใบให้ในอดีตอย่างที่รร้เจ้าทรงสแสดงนะฮะทรงสแสดงว่าคนที่ทำความดีนะย่อมจะมีความสุขในโลกนี้ แล้วก็ตาจากในโลกนี้ก็จะมีความสุขเขาจะความสุขยิ่งขึ้นไปเพราะตนได้ทำความดีเหมือนคนทำความชั่วก็มีลัก ษ, ษณะอย่างนั้นหมายความว่าในขณะนั้นเขาก็เดือดร้อนต่อไปก็เดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนไปจนถึงชาตหน้าคนเรามีความจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในตุกกรรมคือการกระทาคุณจะเรียกยังไงก ก, ก, ก็ตาไหนะฮะ แต่หมายความว่าสิ่งเหล่าเนี้เราสามารถจะหยุดมันได้โดยการไม่ทําความชั่วแล้วผลความชั่วก็จะไม่เกิดขึ้นแก่คนที่ไม่กระทําแต่ถ้าเรากระทาไปแล้วเราไปเสดไม่ได้เพราะเขาจะต้องเป็นไปตามกรรมแสดงเห็นว่ากรรมนั้นเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดเขาจะให้ผลตามสมควรแก่เหตุที่เราได้ประกอบกระทาลงไป ต้องฟังท้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศ ร, รีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูทย์ในธรรมจึงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี